สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบ้านนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่93แล้วนะครับครอบครัวของพระเยซูปรากฏอยู่ในพระธรรมมาระโกบทที่3ข้อ31ถึงข้อ35นะครับพระธรรมมาระโกบทที่3ข้อ31จนถึงข้อ35โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้า เวลานั้นมารดาและพวกน้องชายของพระองค์มายืนอยู่ข้างนอกแล้วใช้คนเข้าไปทูลเรียกพระองค์และประชาชนก็นั่งอยู่รอบพระองค์เขาจึงทูลพระองค์ว่านี่แนะี่ยท่านมารดาและพวกน้องชายของท่านมาหาท่านคอยอยู่ข้างนอกพระองค์ตรัสตอบเขาว่าใครเป็นมารดาของเราและใครเป็นพี่น้องของเราพระองค์ทรงทอดพระเนตรคนที่นั่งร้อมรอบแล้วตรัสว่า นี่เป็นมารดาและพี่น้องของเราผู้ใดจะกระทําตามพระไทยพระเจ้าผู้นั้นแหละเป็นพี่น้องชายหญิงและมารดาของเราพี่น้องครับเมื่อเราอ่านกกรพระกัมภีร์ตอนนี้เราเห็นว่ามารดาและน้องชายของพระเยซูก็คือมารีนะครับแล้วก็ในพระกัมภี์ก็ยังบันทึกถึงน้องชายของพระเยซูนะครับอีกหลายๆคนนะครับจากมาราโกบทที่หกข้อสามนะครับ เราทราบว่าน้องชายของพระเยซูได้แก่ยากรอบโยเซฟยูดาสและซีโมนนะครับที่ได้บันทึกชื่อของเขาไว้ขณะที่มารดาและน้องชายของพระเยซูยังอยู่ข้างนอกและหวังที่จะพบพระองค์มีผู้ทูลพระเยซูว่าคนในครอบครัวของพระองค์มาขอพบพระเยซูทรงทราบว่าครอบครัวของพระองค์จะมีคนมากยิ่งกว่าครอบครัวที่นาซาเลสพูดง่ายๆก็คือว่าครอบครัวของพระองค์ที่อยู่ในแผ่นดินของพระเจ้า จะมีมากกว่าครอบครัวที่นาซเลตตามสายเลือดพระองค์ทรงทราบนะครับในเรื่องนี้เป็นอย่างดีพระองค์พระเยซูก็ตรัส ก, กับคนทั้งปวงที่มาฟังพระองค์สอนโดยตั้งคําถามว่าใครเป็นมารดาของเราและใครเป็นพี่น้องของเราเพราะตั้งคําถามนี้นะครับพี่น้องครับเวลาอ่านเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าพระเยซูปฏิเสธพี่น้องทางสายเลือดของพระองค์แต่ไม่ใช่ครับพรงตรัสต่อไปว่า คนที่เป็นมารดาคนที่เป็นพี่น้องก็คือคนที่ทำตามพระไทยของพระเจ้าคนที่เชื่อฟังพระบิดาคนที่ทำตามพระไทยและพระประสงค์ของพระเจ้าผู้นั้นแหละจะเป็นพี่น้องชายหญิงและมารดาของพระองค์พูดง่ายๆก็คือว่าพระองค์กำลังหมายถึงครอบครัวใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณเองครับครอบครัวใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณนี้เป็นครอบครัวขององค์พระเยซูคริสต์ผู้ซึ่งเป็น ลูกของพระบิดาเจ้าเพราะฉะนั้นในพระะของพรเจ้าไนดะ้บอกว่าใครก็ตามที่วางใจในองค์พระเยซูคริสต์ผู้นั้นก็เรียกพระเจ้าได้ว่าเป็นพระบิดาทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่หนึ่งนะครับข้อสิบสองสิบสามิบสี่พี่น้องลองเปิดอ่านดูนะครับเราจะพบว่าถ้าใครก็ตามที่เชื่อศรัทธาว้วางใจในองค์พระเยซูคริสต์ผู้นั้นก็เป็นพี่น้องกัน นะครับเพราะฉะนั้นเราเองก็กลายเป็นลูกของพระเจ้าเรียกว่าบรรดาบุตรของพระเจ้านั่นเองครับในที่นี้พระเยซูทรงหมายถึงครอบครัวฝ่ายวิญญาณครับพระเยซูทรงรักคนในครอบครัวของพระองค์แต่ก็ทรงทราบว่าวันเวลาของพระองค์ในโลกนี้นั้นสั้นนักคงไม่สามารถกลับไปที่บ้านนะัสเลตได้ต่อไปหลังจากที่พระองค์ได้ใช้เวลากับบรรดาของพระองค์ตลอดสามสิบปีที่ผ่านมานะครับ พระองค์จะต้องปฏิบัติรับใช้พระบิดาซึ่งพระบิดานั้นได้ให้มิชชั่นหรือให้งานของพระองค์เรียบร้อยแล้วอีกสามปีที่น้องครับในเวลาสามปีนี้ระเยซูต้องจากบ้านของพระองค์จากครอบครัวของพระองค์มาเพื่อที่จะปฏิบัติพระบิดาบนสวรรค์และพระบิดาบนสวรรค์นั้นปตัถนาที่จะเห็นครอบครัวฝ่ายวิญญาณครับครอบครัวที่อยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าก็คือบรรดาคนที่เชื่อฟัง มีความศรัทธาในองค์พระเยซูคริสต์พระเยซูไม่สามารถกลับไปที่บ้านนาเซตได้ครับต้องเดินทางจากหมู่บ้านหนึ่งไปยังอีกหมู่บ้านหนึ่งจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งเมืองแล้วเมืองเล่าการเดินทางต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อสั่งสอนเทศนาและรักษาโรคภัไข้เจ็บขับผีร้ายออกพี่น้องครับผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าแท้จริงแล้วหากเราอยากจะมีส่วนในครอบครัวของพระเยซู อยากจะเป็นพี่น้องกับพระองค์เราต้องปรารถนาที่จะทำตามพระไถยของพระเจ้าเราจะต้องกลายเป็นพี่น้องชายหญิงของพระเยซูฝ่ายวิญญาณครับอยากจะเป็นพี่น้องกับพระเยซูต้องทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าพระบิดาพี่น้องลองนึกถึงภาพการมีพี่น้องกับพระเยซูสิครับมันเป็นเรื่องที่น่าปรารถนาน่าดีใจมากขนาดไหนพระเยซูทรงเป็นเหมือนกับคนในครอบครัวของเรา นะครับเราเองก็จะมีพี่น้องอีกหลายและยคนมากมายในแผ่นดินของพระเจ้านะครับก็คือพี่น้องชายหญิงที่ร่วมความศรัทธาในพระเยซูเดียวกันพระเยซูเองครับเป็นผู้ที่คิดที่เริ่มให้เรามีโอกาสเป็นผู้ผู้ที่เปิดประตูให้เราเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของพระองค์พระองค์ได้ทรงเป็นผู้ที่เชื้อเชอิญให้เรามาเป็นพี่น้องกับพระองค์สิ่งที่น่าตื่นเต้นก็คือเราไม่ได้โดดเดี่ยวเดียวดายในครอบครัวของพระเยซูครับเราทั้งหลายเป็นส่วนหนึ่ง ในครอบครัวของพระเยซูและเราก็ยังมีพี่น้องคริสเตียนชายหญิงทั่วโลกครับผมขอเน้นว่าทั่วโลกเป็นพี่น้องกับเราครับแต่ความสัมพันธ์ทางจิตญาณ น, นี้นั้นสูงส่งมากสูงส่งขนาดไหนครับสูงส่งถึงขนาดว่าเป็นเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งแน่นแฟ้นเพราะเรามีพระบิดาองค์เดียวนะครับเรามีพระเยซูเป็นเหมือนกับช่องทางที่เราจะอยู่ด้วยกัน เป็นเหมือนกับสามาัคคีธรรมที่จะผูกพันไว้ด้วยกันเป็นความสัมพันธ์จิตวิญ ญ, ญาณที่สูงส่งมากครับและสําคัญยิ่งกว่าความสัมพันธ์ทางสายเลือดเสอีกนะครับผมขอเน้นว่ายิ่งกว่านะครับสําคัญยิ่งกว่าความสัมพันธ์ทางสายเลือดเสียอีกพี่น้องครับพระเยซูทรงอธิบายชัดเจนะ น, <c oughs> ทท 3, นะครับในบทที่สามข้อที่สามสิบเอ็ดถึงสามสิบห้านะครับพระเยซูเน้นกับว่าผู้ใดนะครับหมายความว่าใครก็ได้ครับ ใครก็ได้ครับที่มีความศรัทธาในพระเยซูมีความเชื่อศรัทธาในพระเยซูนะครับไม่ว่าเราจะเป็นเชื้อชาติอะไรจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงจะร่ำรวยยากที่มีจนขนาดไหนนะครับหรือมีสถานภาพทางสังคมอย่างไรพี่น้องครับเรื่องนี้เงินซื้อไม่ได้ครับเรื่องนี้ประสบการณ์นะครับในอดีตซื้อไม่ได้เหมือนกันครับเรื่องนี้ความสำเร็จความร่ารวยซื้อไม่ได้ครับแต่ใช้ความศรัทธา ใช้ความไว้วางใจในองค์พระเยซูคริสต์ใช้การเชื่อฟังและทำตามน้มัตไยของพบิดาเจ้าพี่น้องครับขอให้เราที่จะเข้าสู่ครอบครัวของพระเยซูอย่างจริงจังนะครับผมอยากจะสรุปบทเรียนนะครับในภาคัมภี์มาราโกขั้งตอนนี้นะครับแท้จริงแล้วนะครับเรารู้เมื่อสองสมวันที่แล้วนะครับว่าพระเยซูทรงขับผีออกนะครับ พระเยซูถูกกล่าวหาว่าเป็นนายผีหรือเบ็ดแก้วซาบุน <c oughs> พี่น้องครับเราจะเห็นนะครับว่าจากบทเรียนตรงนี้เองเราพบว่าพระเยซูทรงมีอำนาจเหนือกว่าผีมารซาตานทิ้งซึ่งครอบงำมนุษย์มากนักมากมา ก, มากจริงๆครับและพระเยซูทรงขับผีออกจากคนตาบอดและเป็นใบ้นะครับทําให้เราเข้าใจว่าจริงๆแล้วซาตานมันก็มีอาณาจักรของมันนะครับและ เป็นอาณาจักรคล้ายๆกับว่าคู่ขนานกันกับพระราชอาณาจักรของพระเยซูคริสต์นะครับทีนี้เพื่อนพีกําลังสอนให้เรารู้นะครับว่าบ้านหรือเรือนนะครับหรืออาณาจักรของซาตานนะครับบ้านคือเรือนนะครับบ้านนั้นคือเรือนในบทที่สามข้อยีิบเจ็ดนะครับบ้านนั้นคือเรือนหรืออาณาจักรของซาตานทรัพย์ของซาตานได้แก่ผู้คนที่ตกเป็นทาสนะของบาปครับเนี่ยทาสของบาปนะครับ เพราะฉะนั้นเราจะต้องมาดูว่าความผิดบาปอะไรบ้างที่ครอบงํามนุษย์หรือทําให้เราเป็นทาสของมันนะครับเป็นต้นว่ายาเสพติดเหล้าบุหรีการพานันความโลภหรือมีสิ่งอื่นๆที่ทําให้เรานะครับเป็นทาสของมันนะครับหรือบางครั้งเราอาจจะไม่สามารถควบคุมสิ่งที่เรากระทําหรือคําพูดของเราหรือใจคิดไม่ดีของเรานะครับเราก็ล้วนตกอยู่ภายใต้การควบคุมของซาตานทั้งสิ้น นั่นหมายความว่าเรากำลังอยู่ในเรือนของซาตานครับแต่เป็นสิ่งที่น่าขอบคุณพระเจ้าทีเดียวพระเยซูทรงเมียมาำนาจเข้าไปในอาณาจักรของซาตานในบ้านของมันครับและปลดปล่อยเราจากอานาจควบคุมของมันนี่คือความจริงที่น่าตื่นเต้นยินดีครับซึ่งพระบงดีสอนเราพรี่น้องครับอย่าให้ใครต้องรู้สึกว่าตนเองไม่สามารถหลุดพ้นจากการผูกมัดและอานาจของมันซาตานได้เพราะว่าพระคัมภีที่เราได้เรียนไปเมื่อสองวันที่แล้วนะครับ เราพบว่าพระเยซูทรงเหนียมนาฏเหนือกว่ามานซาตานมากมายนักนะครับมานซาตานมันไม่อาจที่จะต่อกรหรือสู้กับพระเยซูได้แม้แต่น้อยเพียงแต่พระเยซูสั่งกับไล่มันเท่านั้นมันจะต้องไปพี่นะครับเราจะต้องเข้าใจนะครับว่าทุกวันนี้ครับฤทธิอำนาจของพระเยซูก็ยังคงเหมือนเดิมครับพระเยซูเป็นอย่างไรในอดีตพระเยซูเป็นอยู่เหมือนกันในวันนี้ดังในพระคัมภีร์บรูบที่สิบสามข้อแปดนะครับ ฮีบรูบทที่13าข้อ8ได้กล่าวว่าพระเยซูคริสต์ยังทรงเหมือนเดิมเมื่อวานนี้วันนี้และต่อต่อไปเป็นนิจจการพี่น้องครับเราเชื่อพระคัมภีข้อนี้ไหมครับและเรามั่นใจไหมครับว่าพระเยซู ต, ต้องการให้เราออกจากความผิดความบาปซึ่งผูกมัดเอาไว้เมื่อเราพ้นจากอํานาจของการควบคุมของซาตานนะครับเราก็จะสามารถเข้าสู่อนณาจักรของพระเยซูได้และอนาันจักรของพระเยซูนี้ตั้งอยู่ทั้งในสวรรค์และบนแผ่นดินโลกครับ ใครบ้างครับที่อยู่ในอนาณาจักรของพระเยซูพี่น้องครับพี่น้องคงทราบดีว่าท่านเองนั้นอยู่ในอนาณาจักรของพระเยซูหรือเปล่าใครก็ตามที่ปรารถนาอยู่ใน อ, นอนาณาจักรของพระเยซูผู้นั้นจะต้องมีความเชื่อศรัทธาในองค์พระเยซูคริสต์ผู้นั้นจะต้องสารภาพบาปผู้นั้นต้องเสียใจและมีความมีปรารถนาที่จะกลับใจใหม่เพราะเหตุที่ว่าชีวิตของเรานั้นได้ทําบาปมาตลอดชีวิตครับขอพระเจ้าเมตตาและอวยพรพีพรพ่น้องทุกท่านครับเพื่อที่จะ สามารถที่จะสารภาพบาปต่อพระองค์นะครับและทูลขอการอภัยโทษจากพระเจ้าจานึกว่าตัวนั้นเป็นคนผิดคนบาปครับอยากจะกลับใจใหม่อยากจะกลับเนื้อกลับตัวใหม่นะครับและขอการอภัยหลังจากขอการอภัยแล้วเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตของพวกเราครับเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเราให้เป็นองค์พระบุตรเป็นเจ้าและเป็นพระบุตช่วยรอดครับและก็ตัดสินใจนติดตามพระองค์ตลอดชีวิตนั่นแหละครับคือการบังเกิดใหม่นั่นแหละครับคือการแับมาด้วยพระวิาณบริสุทธิ์ นั่นแหละครับคือการที่เรานั้นได้กลายเป็นครอบครัวของของค์พระเยซูคริสต์ขอพระเจ้าอวยพ ร, พรพี่น้องที่รักทุกท่านในเช้าวันนี้อาเมน